มาดูสูตรต่อไปนะนาค่าสูตรนาคคือแปลว่าผู้ประเสริฐนาคคือพระพุทธเจ้ากับนาคคือช้างคําว่านาคนี้มีหลายความหมายนะนาคตัวนี้ไม่ได้แปลว่างูสับว่านาคนี้หมายถึงช้างก็มีแต่ว่าโดยสับแปลว่าประเสริฐข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณโคสิตารามใกล้เมืองโกสัมพี ก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเกลื่อนกล่นอยู่ด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดรัีถิสาวกแข่งเดรัีถิประทับอยู่อย่างลำบากไม่ผาสุกสมัยนั้นเนี่ยพระภิกษุทะเลาะกันภิกษุทะเลาะกันพระองค์ไม่ผาสุคลาดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดเริว่าบัดนี้เราแลเกลื่อนกล่นอยู่ด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา พระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดรัีฐ์สาวกแห่งเดรัจฐ์อยู่ลำบากไม่ผาสุกถ้ากระไรเราพึงหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเถิดครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคก้าวทรงอันตรวาสศกแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาอยังเมืองโกสัมพีครั้นเสด็จเที่ยวบินทบาทในเมืองโกสัมพีสเสด็จกลับจากบินบาทภายหลังพัดแล้ว ทรงเก็บเสนาสนะทรงถือบาทและจีวรด้วยพระองค์เองเครื่องหมายอันนี้แปลว่าไม่ต้องการผู้ใดไปด้วยท่านนน์นี้เข้าใจทันทีเลยว่าถ้าพระองค์เก็บเสนาสนะเองถือบาทถือจีวรด้วยพระองค์เองนี่แปลว่าอุปถากไม่ต้องตามแล้วพระองค์นไม่ทรงบอกลาอุปถากไม่ทรงบอกเล่าภิกษุสงฆ์พระองค์เดียวไม่มีเพื่อนเสด็จหลีกจาริกไปทางปาลิเลยะกะเสด็จจาริกไปโดยลําดับ ถึงปาลิเลยากะแล้วได้ยินว่าณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ควงไม้พัทธสาระพระธาตนี้แปลว่าเจริญหรือต้นใหญ่ที่สุดในนั้นนะนะต้นสาระที่ใหญ่กว่าเพื่อนในราวไพรรักขิตวันในปาริเลยะกะนั้นแม้พญาช้างเชือกหนึ่งเกลื่อนกล่นอยู่ด้วยเหล่าช้างพลายช้างพังช้างสะเทินลูกช้างกินหญ้าที่ช้างทั้งหลายเล็มยอดเสียแล้ว และช้างทั้งหลายกินกิ่งไม้ที่พญาช้างนั้นหักลงหักลงพญาช้างนั้นก็ดื่มน้ำที่ขุนและเมื่อพญาช้างนั้นลงและขึ้นจากน้ำเหล่าช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปพญาช้างนั้นก็เกลื่อนกลนอย่ลำบากไม่ผาสุกช้างก็ะักรําคาญนนเหมือนนะลําดับนั้นแลพญาช้างนั้นคิดว่าบัดนี้เราแลเกลื่อนกลนอยู่ด้วยเหล่าช้างกลายช้างพังช้างสะเทนลูกช้าง เราเนี่ยกินหญ้าที่ช้างทั้งหลายเล็มยอดเสียแล้วและช้างทั้งหลายกินกิ่งไม้ที่เราหักลงกิ่งไม้ที่เราหักลงเรานี่ดื่มน้ําขุนและเมื่อเราลงและขึ้นจากท่าน้ําเหล่าช้างพังทั้งหลายก็เดินเสียดสีกายไปเราเนี่เกลื่อนกล่นอยู่ลําบากไม่ผาสุกถ้ากะไรเราพึ่งหลีกออกจากโขลงอยู่แต่เชือกเดียวนะไม่เอาเพื่อนแล้วนะหาที่หลีกดีกว่า ลำดับนั้นแลพญาช้างนั้นหลีกออกจากโคลงแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ควงไม้พัทศาระในราวป่ารักขิตวันณปาลิลยายกะที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ได้ยินว่าพญาช้างนั้นกระทำประเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในรักขิตวันนั้นให้ปราศจากของเขียวและเข้าไปตั้งน้าฉันน้าใช้ไว้สาหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยงวง เป็นช้างอุปถาคที่เคยได้ทราบมาว่าบางแห่งก็คือช้างเนี่ยเป็นช้างพระโพธิสัตว์เหมือนกันลําดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลีเกเล่นอยู่ในที่ลับทรงเกิดความปริวิตกแห่งพระทัยอย่างนี้ว่าพระองค์ก็มาคิดนะว่าเมื่อก่อนเราแลเกลื่อนกลนอยู่ด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดรัจฉีสาวกแห่งเดรัจฉีเราเกลื่อนกลนอยู่ลําบากไม่ผาสุก บัดนี้เรานั้นไม่เกลื่อนกลลนอยู่ด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดรธีสาวกแห่งเดรธีเราไม่เกลื่อนกลลนเป็นสุขสําราญพระพุทธเจ้าตรึกอย่างนี้เข้าช้างก็ตรึกเหมือนกันพญาช้างนั้นเกิดความปริวิตกแห่งใจอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนแลเรานั้นเกลื่อนกลลนอยู่ด้วยช้างพลายช้างพังช้างสะเทินลูกช้าง เรานี่กินหญ้าที่ช้างทั้งหลายเล็มยอดเสียแล้วและช้างทั้งหลายกินกิ่งไม้ที่เราหักลงหักกิ่งช้างอื่นกินหมดอะนะเราก็ดื่มน้ําที่ขุ่นและเมื่อเราลงและขึ้นจากน้ําช้างพังทั้งหลายก็เดินเสียดสีกายไปเรานี่เกลื่อนกล่อนอยู่ลําบากไม่ผาสุกบัดนี้เราไม่เกลื่อนกล่อนอยู่ด้วยเหล่าช้างพลายช้างพังช้างสะเทิน ลูกช้างเราไม่กินหญ้าที่ช้างทั้งหลายเลมยอดแล้วและช้างทั้งหลายไม่กินกิ่งไม้ที่เราหักลงกิ่งไม้ที่เราหักลงเราดื่มน้ำที่ไม่ขุนและเมื่อเราลงและขึ้นจากน้ำช้างพังทั้งหลายก็ไม่เดินเสียดสีกายไปเราไม่เกลื่อนกลนอยู่เป็นสุขสำราญสรุปแหมสบายจริงๆเลยนะเมื่อก่อนในพวกมากบริวารเยอะแทนที่จะสบายกลับเดือดร้อนตอนนี้สบายแล้วว่ากัน ลำดับนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความสงัดกายของพระองค์และทรงทราบความปริวิตกแห่งใจของพญาช้างด้วยพระหฤทัยแล้วเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าจิตของพญาช้างมีงาเช่นกับงอนรถย่อมสมกับจิตที่ประเสริฐของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทรงยินดีอยู่ในปา่าพระองค์ก็ลีกเล่นนะนะมีความสุข ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะตอนที่อยู่เมืองโกสัมพีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทําไมพระองค์จึงเก็บบาตรจีวร น, นี้ไปแต่พระองค์เดียวนะบทว่าพระขวาอากินโนวิหารติได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรับความคับแค้นประทับอยู่ลําบากนะลาบากในที่นี้ก็คือมันเรื่องแก้ยากนะถามว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้ามีความคับแค้นหรือมีความคลุกคลีอยู่หรือ ตอบว่าไม่มีเพราะใครๆไม่สามารถจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยไม่ปรารถนาคือถ้าพระองค์ไม่ประสงค์เนี่นะอย่าคิดนะว่าใครจะเข้าเฝ้าได้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเข้าเฝ้าได้โดยยากก็เพราะพระองค์ไม่ติดอยู่ในที่ทั้งปวงออาแล้วพระองค์ไม่ติดแล้วทำไมต้องไปอยู่ในตามเมืองต่างๆล่ะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยความอนุเคราะห์คือกรุณาในหมูสัต ด้วยทรงสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลประโยชน์คือนิพพานเกื้อกูลคืออริยมรรคเพื่อจะรื้อถอนหมูสัตว์ออกจากโอคะสโดยสมควรแก่ปฏิญญาว่าเราหลุดพ้นแล้วจกให้หมูสัตว์หลุดพ้นด้วยความตั้งใจของพระองค์นี้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมจึงทรงรับให้บริษัททั้ง8ดเข้าเฝ้ายังสานักของพระองค์ตลอดเวลาบริษัท8คือใครบ้างหนึ่งภิกษุสองภิกษุณี 3. อุบาสกสี่อุบาสิกาหาพระราชา 6. มหมาหมัดของพระราชาเจ็ดเดรที 8. สาวกของเดรทีก็เลยให้เข้าเฝ้านะตามเวลาที่ต้องการก็พระองค์เองอันพระมหากรุณากะตุ้นเตือนเป็นกาลันอยู่เสด็จเข้าไปในบริษัทนั้นคือรู้เวลานะว่าเวลาไหนเหมาะเวลาไหนที่จะสามารถทำประโยชน์ให้สำเร็จ ในข้อนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์เคยประพฤติกันมาการที่พระองค์น้สงเคราะห์บริษัททั้งแปดดังกล่าวนี้แหละเรียกว่าการอยู่เกลื่อนกล่นในที่นี้ถ้าที่อื่นๆนี่เป็นอย่างนั้นแต่สำหรับในเมืองโกสัมพีนี้เนี่ยนะเมื่อพิสุชาวเมืองโกสัมพีเกิดทะเลาะกันพระศาสดาทรงนาเรื่องของพระเจ้าโกศลทรงพระนามว่าทีคีติ มาประทานโอวาทโดยนายเป็นต้นว่าเวนเนี่ยนะในการในไหนโลกนี้ย่อมไม่สงบด้วยเวนคือพระพิสูน์นี่ทะเลาะ ก, กันต้นเหตุทะเลาะ ก, กันในเรื่องนิดเดียวเรื่องน้ำในห้องน้ำขันเดียวทะเลาะ ก, กันเพราะว่ามีพิกูุรูปหนึ่งที่เป็นธรรมกะทึกแต่ไม่ฉลาดในพระวินัยเข้าไปในห้องน้ำก็เหลือเหลือน้ำไว้ในขันขันหนึ่งพระวินัยถรก็เข้าไปในห้องน้าก็ไปเห็น เห็นน้ำวางในขันก็ถามว่าเนี่ยน้ําของผู้ใดาวางเอาไว้ก็บอกของผมเองครับท่านไม่รู้หรือว่าเป็นอาบัติบอกผมไม่รู้ครับถ้าท่านไม่มีเจตนาจะเหลือน้ําค้างไว้ในภาชนะก็ไม่เป็นอาบัติพระวินัยทรก็เข้าใจว่าตัวเองไม่เป็นอาบัติก็เลยกลับไตกุติพระวินัยทอนเนี่ยปากไม่ดีไปเล่าเรื่องนี้ให้ลูกศิษย์ฟังบอกพระธรรมกถึกเนี่ยนะดีแต่เทศวินัยเล็กๆน้อยๆก็ไม่รู้ เนี่ยดูสิเอาน้ําเนี่ยค้างไว้ในในห้องน้ําเนี่ยมันเป็นอาบัตก็ยังไม่รู้อีกทีนี้ลูกศิษย์ก็ไปเล่านะให้ลูกศิษย์ฟังด้วยกันบอกว่าอาจารย์ของท่านเนี่ยนะแม้กระทั่งเป็นอาบัตก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอาบัตก็ดีแต่เทศลูกศิษย์ก็ไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์พอฟังเอ๊วินัยทรนนี่พูดมูสาก็บอกว่าไม่เป็นอาบัตม า, าบัตนี้มาบอกว่าเป็นอาบัตอีกแล้วลูกศิษย์ก็กลับไปเล่าให้ลูกศิษย์อีกฟังหนึ่งฟัง ฝ่ายในนำออกฝฟายนอกนำเข้าก็เลยเผากันทั้งวัดทะเลาะเบาแวงจนมองหน้ากันไม่ติดตอนหลังพระวินัยทอดเนี่ยเขาถือว่าอยู่ฝ่ายถูกก็เลยสวดยกวัดพิกษุฝ่ายฝ่ายธรรมกัึกนี่ก็เลยแยกเป็นที่เรียกว่าเป็นนานาสังวาดเกิดพิสูุ น, น์นาสังวาสสองกกใหญ่พระพุทธเจ้าก็บอกว่า อ, อย่าทะเลาะกันเลยพระพิสูก็ไม่ยอม พอไม่ยอมเนี่ยนะก็ทะเลาะ ก, กันอย่างนั้นพระองค์ก็บอกโอ้ยอย่าไปผูกเวรผูกอาฆาตอะไรกันเลยเวรนี่มันไม่สงบด้วยการจองเวรหรอกภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยนะภิกษุเหล่านั้นกระทาการทะเลาะ ก, กันนั่นแหละจนราตรีสว่างเที่ยงกันทั้งคืนโอ้ไม่ทําอะไรเลยนะพระพุทธเจ้าอยู่วัดเดียวกันนะเทียงกันทั้งคืนแม้ในวันที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ห้ามเรื่องนั้นอีกวันนั้นภิกษุก็ทะเลาะ ก, กันจนสว่างอีกเก่งจริง ในการทำบาปนะแม้ในวันที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงเรื่องนั้นเหมือนกันลําดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงมีความขวนขวายน้อยจงประกอบการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเถิดพวกข้าพระองค์จักปรากฏด้วยความบาดหมางความทะเลาะความวิวาทความแก่งแย่งกันนี้ หมายว่าพระองค์นี้นิมนต์หลีกเล่นเธอเดี๋ยวผมจะทะเลาะ ก, กันเองพระาศาสดาก็ดําริว่าโม่ะบุรุษคือบุรุษเปล่าเหล่านี้มีจิตถูกความบาดหมางเป็นต้นครอบงามแล้วบัดนี้เราไม่อาจให้พวกเธอตกลงกันได้และในที่นี้ไม่มีใครจะยอมใครถ้าะไรเราก็พึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุเหล่านี้ก็จกงดการทะเลาะวิวาทวิธีให้สามัคคีก็คือพระพุทธเจ้านี้ซะ เขบอกไม่เชื่อแล้วบอกยังไงก็บอกไม่เชื่ออันพระองค์ก็หลีกไปเพราะการอยู่ในวิหารแห่งเดียวกันกับภิกษุผู้ก่อการทะเลาะเหล่านั้นและการที่อุบาสกเป็นต้นเข้าไปเฝ้าไม่มีผู้แนะนําให้เป็นอยู่เกลื่อนกลนวัดนี่วุ่นวายไป็หมดเลยนะชุลมุนวุ่นวายไปแล้วเหมือนกองคับที่ไร้ระเบียบเพราะพระภิกษุไม่มีใครมาคอยชี้แนะอะไรเหมาะอะไรควรเวลาไหนควรเข้าเฝ้าเวลาไหนไม่ควรเข้าเฝ้ามันก็เลยมีแต่ความวุ่นวาย พระพุทธเจ้าก็หลีกไปอย่างนี้พูดถึงพระพิสุกลุ่มนี้ก่อนว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าหลีกไปก็เข้าพรรษาพอเข้าพรรษานี้ชาวบ้านก็มาถามว่าพระพุทธเจ้าไปไหนอัตมาทั้งหลายทะเลาะกันเนี่ยพระพุทธเจ้าไปแล้วอ้าวพระพุทธเจ้าห้ามไม่ใช่หรือก็ห้ามก็ห้ามอ่ะแต่ว่าก็ยังทะเลาะกันอยู่เนี่ยเพราะพวกท่านเนี่ยนะทำให้พระพุทธเจ้าหนีไปพวกเราก็เลยไม่ได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายให้พระพุทธเจ้าอดโทษให้โยมทั้งหลายจะอุปถัมท่าน พระโยมเนี่ยชวนกันคว่มบาตคือไม่ใส่บาตก็เริ่มอาหารก็ใส่แต่น้อยเนี่ยนะวันหนึ่งก็ยังทะเลาะกันเนี่นะวันหลังเนี่ยหิวกันมากขึ้นสามัคคีกันเลยคนนี้เขาไม่ใส่บาตก็เลยสามัคคีกันอดโทษอดโทษกันซึ่งกันและกันแล้วก็บอกโยมว่าอาตมาสามัคคีกันแล้วนะเลิกทะเลาะกันแล้วถ้าท่านให้พระพุทธเจ้ากลับมาเนี่ยจะอดโทษให้เหมืนกันพรรษานั้นทั้งพรรษานี่เดือดร้อนหมดเลยเพราะเขาไม่ค่อยใส่บาตกันแล้วนะเดือดร้อนกันมาก ตอนหลังก็ที่ไปเมืองสาวัตถีนะคือเรื่องตอนนั้นเนี่ยดังมากเลยนะเรื่องนี้ดังเกือบทั่วชมพูทวีป ท, ทั้งหมดเลยทะเลาะ ก, กันจนพระพุทธเจ้านี้นะกลุ่มนั้นเนี่ยไปที่ไหนชาวบ้านรังเกียจมากเลยพระพิสุกลุ่มเมืองโกสัมพีนี่ชาวบ้านเมืองอื่นๆไม่ชอบเลยว่าพระพุทธเจ้าเตือนสั่งสอนนะก็ไม่เชื่อฟังเนี่ยจนพระองค์เสด็จหนีก็เลยเป็นที่รังเกียจแต่ตอนหลังพิสุลานั้นก็เป็นท่ารหารกันหมดนะขนาดชาติสุดท้ายกิเลสก็ยังมีกําลังขนาดนั้นนะอเอากับอาคุสนสิ ใจมันจะเศร้าหมองกันนะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงดำริอย่างนั้นแล้วจึงทรงชำระผวรกายแต่เช้าตรูเสดเที่ยวบินธบดีในกรุงโกสัมพีไม่ตรัสบอกใครๆรเสดเที่ยวไปแต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนประทับอยู่ที่ควงไม้พัทธสาละนะปาริลลยะกะไพรสนในโกสนรัฐเนี่ยก็คืออยู่ในแควนโกศลอยู่พระองค์ก็ไม่ได้บอกลาอุปถากไม่ว่าจะเป็นโคสิตเศรษฐี เป็นต้นในนัเศรษฐีที่เป็นเจ้าของวัดหลายขั้นก็ไม่บอกไม่บอกแม้กระทั่งพระอนนท์ผู้เป็นอัครอุปถักต์ในวิหารเมื่อพระศาสดาเสด็จไปแล้วอย่างนี้ภิกษุห้าร้อรูปก็กล่าวกับท่านพระอนนท์ว่าอนนท์ผู้มีอายุพระศาสดาเสด็จไปแต่พระองค์เดียวพวกเราจักติดตามพระอนนท์ก็ห้ามว่าอาวุโสในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเก็บงําเสนาสนะ ด้วยพระองค์เองแล้วทรงถือบาดและจีวรไม่ทรงบอกลาพวกอุปถาและไม่ทรงบอกเล่าภิกษุสง์เด็ดไปไม่มีเพื่อนการเสด็จไปโดยพระองค์เดียวเป็นอัธยาศัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมดาว่าสาวกควรปฏิบัติให้เหมาะสมแก่พระอัธยาศัยของพระศาสดาเพราะฉะนั้นไม่ควรตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปในวันเหล่านี้ดังนี้แม้ตนเองก็ไม่ติดตาม ไม่ตามเสด็จเลยเพราะว่าพระองค์ทำอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องการให้ผู้ใดติดตามไปทางนั้นพระนรินทร์เข้าใจอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าแม้แต่พระนนท์ก็ไม่ติดตามไปพระาศาสดาก็เสด็จจาริกไปตามลําดับขามนิคมก็คือหมู่บ้านอําเภอเป็นต้น น, นะทรงดําริว่าเราจักเยี่ยมภิกษุผู้เที่ยวอยู่แต่ผู้เดียวก่อนเห็นความวุ่นวายก็เลยนึกถึงภิกษุที่อยู่แต่เพียงรูปเดียวก็เลยเข้าไปหาภิกษุที่อยู่รูปเดียว เสด็จเข้าไปยังภารกะโลนการามและก็แสดงอ น, นิสงค์แห่งการเที่ยวอยู่แต่ผู้เดียวแกท่านพระคุเทระในที่นั้นตลอดตัดฉาพัดและตลอดราตรีสามยามพระพุทธเจ้านี่แสดงอ น, นิสงค์การอยู่แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะสิบกว่าชั่วโมงถ้าดูตามเวลาเนี่ยนะตั้งแต่ฉันเสร็จไปจนถึงเทศทั้งคืนอ น, นิสง์ของการอยู่แต่เพียงผู้เดียวแสดงว่าโอ้พองค์นี่เห็นอ น, นิสงค์ของการอยู่ผู้เดียวมาก อยู่คนมากมันวุ่นวายจริงๆอะไรจะวุ่นวายเท่ากับคนไม่มีอีกแล้วอยู่กับยุงมันวุ่นวายบ้างอย่างกลางมุงแล้วมันยังเงียบเลยนะคนนี่มีเรื่องมากจริงในวันรุ่งขึ้นมีท่านพระคุเทระเป็นปัตชาสมะณะเสด็จเที่ยวไปบินทบาทให้ท่านพระพระคุเทระกลับณที่ตรงนั้นนั่นแ ล, แ ล, แล้วทรงพระดำรว่าเราจะเยี่ยมกุลบุตรทั้งสามคนผู้อยู่โดยความพร้อมเพรียงกันก็ พระองค์ก็ไม่ใช่ว่าจะให้พระพิสูจน์แยกกันหมดนะแต่ถ้าอยู่รวมกันแล้วสามัคคีกันพระองค์ก็อนุโมทนาพระองค์ก็เลยเสด็จไปยังปาจีนะวังสะมิกทายวันแล้วก็แสดงอ น, นิสง์การที่กุลบุตรแม้เหล่านั้นผู้อยู่โดยความพร้อมเพียงกันตลอดคืนอย่างรุ่งแสดงอ น, นิสง์ของการสามัคคีอีกแสดงคําทั้งคืนอีกให้กุลบุตรแม้เหล่านั้นกลับณนะที่ตรงนั้นนั่นแลเสด็จถึงปาลิลยกะคามแต่พระองค์เดียว ชาวปาริเลยากะคามพากันต้อนรับถวายทานแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าสร้างบรรณาสาลาถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าในรักขิตวันไพรสนที่อยู่ไม่ไกลปาริเลยค า, ามแล้วทูลอาราธนาให้ประทับอยู่ด้วยคำว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงประทับอยู่ในที่นี้เถิดจริงๆก็ไม่ใช่ไม่มีกุตินะมีกุติแต่ว่ากุติใกล้ๆต้นสาละ ในป่านั้นเนี่ยมีต้นสาระต้นหนึ่งน่าพึงใจได้ชื่อว่าพัทธสาระพระองค์ก็ประทับอยู่โคนต้นไม้ใกล้บรรนาสาราในไพรสนก็มีพญาช้างเชือกหนึ่งไนงะพญาช้างช้างจากโลงช้างจากฝูงอ่ะนะเป็นช้างใหญ่มากช้างนี่ก็ลำบากนะลำบากดังที่ฟังไปแล้วว่าแม้จะกินหญ้าคือท่านเนี่ยก็สำรวมอ่ะนะเป็นช้างที่สำรวมมันบริวารก็ไปเที่ยว พวกหญ้าดีๆน้ํนาดีๆอะไรดีๆเขาก็กินกันหมดพญาช้างนี่ก็เดือดร้อนเวลาจะลงน้ำเนี่ยพวกก็เบียดเสียดลําบากมากทําให้น้ํานี่ขุนไปหมดพั้นพญาช้างนั้นแม้จะถูกพวกช้างเนี่ยเสียดสีก็ไม่โกรธเพราะความที่ตนเนี่ยมีใจกว้างขวางเพราะฉะนั้นนางช้างเหล่านั้นไอช้างพังก็คือนางช้างเหล่านั้นก็พากันเสียดสีพญาช้างนั่นแหละท่านก็ไม่โกรธอะนะไอไม่โกรธนี่ไม่ได้แปลว่าชอบนะ แปลว่าเบื่อมากเลยเบื่อหน่ายที่จะอยู่ในโขลงก็เลยเข้าไปยังไทรสนนั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าในที่นั้นเป็นสัตว์มีใจเย็นช้างนี่เห็นพระนี่รู้เลยว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ใจเย็นมากพอเห็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับเอาน้ำเนี่ยพันหม้อมาวางดับความร้าร้อนมีใจเลื่อมใสอยู่ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่นั้นมาพญาช้างนั้นก็ตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติ เอากิ่งไม้กวาดรอบๆต้นพัทธสาระและบาารรณศาลาให้ปราศจากของเขียวถวายน้ำบ้วนพระโอษฐ์นำน้ำสำหรับสงมาถวายถวายไม้สำหรับชารฟันก็คือไม้สีฟันนะนะเคยเห็ น, มนไม้ที่อินเดียกิ่งไม้ที่เขาวางๆนะนะั่นแหละไม้สีฟันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านาผลไม้มีรสอร่อยมาจากป่าแล้วก็น้อมถวายพระศาสดา ภาษาสดาก็ทรงสเสวยผลไม้เหล่านั้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าได้ยินว่าในรักขิตวันนั้นพญาช้างกระทำพื้นที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ให้ปราศจากของเขียวจัดตั้งน้ําฉันน้าใช้ไว้เพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยงวงดังนี้เป็นต้นพญาช้างนั้นเอางวงเนี่ยขนฟืนมาแล้วก็เอาฟืนแห้งๆเนี่ยมาสีกันเข้าให้เกิดไฟทําให้ไหมลุกโพล่ ทำก้อนหินในที่นั้นให้ร้อนเอาไม้เนี่ยกลิ้งก้อนหินนั้นมาโยนลงไปในแอ่งน้ําก็รู้ว่าน้ําร้อนเผาหินให้มันร้อนแล้วโยนลงไปในน้ําเขี่ยลงไปในน้ําน้ําก็จะร้อนใช่ไหมก็เข้าไปในสํานักพระพุทธเจ้าแล้วก็ยืนอยู่พระองค์ก็ทราบว่าช้างปรารถนาปรารถนาอะไรปรารถนาให้พระองค์ส่งน้ำเหมือนนั้นพระพุทธเจ้าก็คือก็อยู่กับเดราชานให้เดราชาันอุปถากต์นะก็รู้กันแล้ว พญาช้างนั้นปรารถนาจึงสมกับจิตที่ประเสริฐคือสมกับจิตของพระพุทธเจ้าเพราะมีคําอธิบายว่าจะให้เราส่งน้ําจึงเสด็จไปในที่นั้นทําการส่งน้ําแม้ในน้ําดื่มก็เอากระบอกตักน้ําไปถวายก็เมื่อ น, น้ําดื่มนั้นเกิดความเย็นแล้วท่านก็เข้าไปเฝ้าที่ท่านกล่าวไมายว่าพญาช้างจัดตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้ถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยงวงหลังจากนั้นก็ มหานาคทั้งสองก็คือช้างกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพิจารณาถึงความสุขที่เกิดจากวิเวกอธิบายว่าบทว่าอัตโนโจะปะวิเวกังวิธิตวาความว่าทรงทราบกายวิเวกที่ได้ด้วยความไม่เกลื่อนกล่นด้วยฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายจิตวิเวกและอุปทิวิเวกย่อมมีแก่พระพุทธเจ้าในการทุกเมื่อทีเดียวเฉพาะร่างกายเท่านั้นแหละที่เกลื่อนกล่นแต่ทางจิตใจของพระองค์นั้น ไม่เกลี่นกล่อลโดยเฉพาะจิตของพระองค์นี้พร้อมที่จะเข้าปฐมฌานเป็นต้นได้แล้วก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยไม่ยากพระองค์ก็ได้เปล่งอุทานนี้แสดงถึงความที่พระองค์และพญาช้างมีอัธยาศัยเสมอกันคือมีอัธยาศัยยินดีอย่างยิ่งในความสงัดยินดีในวิเวกอธิบายว่าจิตของพญาช้างผู้มีงางงอนมีงางามเนี่ยนะเหมือนกับงอนรถ สมกันเทียบกันได้กับจิตที่ประเสริฐของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐถามว่าเหมือนกันอย่างไรเหมือนกันว่าเหมือนโดยยินดีแต่ผู้เดียวในป่าเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงลำเละ ว, ว่าเมื่อก่อนเราแลมอยู่เกลื่อนกล่นดังนี้จึงทรงรังเกียจการอยู่เกลื่อนกล่นในครั้งก่อนเมื่อจะทรงพอกพูนวิเวกบัดนี้จึงเป็นแต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อน ที่จริงแล้วช่วงนั้นก็ไม่มีสัตว์อื่นที่จะโปรดด้วยนะพระองค์ก็จึงหลีเกเล่นไม่ใช่ว่าหนีไปหาความสุขแต่เพียงผู้เดียวเบื่อหน่ายแบบลักษณะคนโกรธอะไรไม่ใช่แต่ช่วงนั้นสมัยนั้นเนี่ยเป็นการฝึกพระภิสูุอีกหลายรูปเพราะพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นก็เป็นการอยู่เพื่อสอนสอนพิสูจนในยุคนั้นด้วยแล้วก็สอนพิสูุในยุคหลังๆด้วยว่าขณะพระพุทธเจ้ายังยินดีในการหลีเกเล่น พญาช้างก็ฉันนั้นนะนะเมื่อก่อนก็รังเกียจการอยู่เกลื่อนกลนกับพวกช้างเป็นต้นของมันเมื่อจะพ่อภูนวิเวกจึงเป็นช้างโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนอยู่ในปา่าต่างฝ่ายก็เหมือนกันโดยเอกีภาพคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วใช่หมคนกับช้างคุยกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างฝ่ายหลีกเร้เนต่างฝ่ายก็วิเวก